Thank you. สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีค น, คนหนึ่งชื่อโสนาก็เป็นลูกของขาหาบดีนะที่ร่ำรวยเมื่อแต่งงานก็ได้อยู่กับขาหาบดีที่ร่ำรวยเหมือนกันก็เรียกว่าเติบโตมา ก, กับกองเงินกองทองจนกระทั่งเข้าสู่วัยชาราสามีเนี่ยก็ ตัดสินใจออกบวชทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มากมายเนี่ยให้กับนางโซนาหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยลูกนะทั้งลูกชายลูกสาวซึ่งมีถึง1ิคนเนี่ยก็บอกกับแม่ว่าแม่ก็ชลาแล้วนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเก็บไว้กับตัวทำไมไม่น่าห่วงนะควรจะแบ่งให้ลูกๆเพราะลูกก็โตกันหมดแล้ว ถูกลบลอบแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนางโสนาก็แบ่งทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยให้กับลูกทั้งสิบคนเนี่ยเท่าๆกันลูกทั้งสิบคนนี้ก็มีครอบครัวของตัวเองนะทั้งลูกชายลูกสาวนางโสนนาก็คิดว่าเนี่ยเมื่อแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับลูกแล้วก็ไม่มีสมบัติของตัวเองอยู่เลยจึงเลือกที่จะไปอยู่กับลูกชายคนโต อยู่ไปได้สักพังเนี่ยลูกสะใภ้ก็บอกกับผัวว่าเนี่ยเราก็ได้สมบัตินะจากแม่เนี่ยเท่าเท่ากับคนอื่นทำไมต้องมารับภาระเลี้ยงดูแม่ด้วยเมียพูดอย่างนี้กับผัวเนี่ยบ่อยๆเนี่ยผัวก็ชักคล้อยตามนะแล้ววันหนึ่งก็บอกแม่ว่าเนี่ยพูดอ้อมๆนะแต่ความหมายคือว่า อยากให้แม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างนะช่วยแบ่งเบาวภาระหน่อยแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะก็ไปอยู่กับลูกคนรองอยู่ได้ไม่นานก็เจอปัญหาเดียวกันนะเมียของลูกคนรองก็บอกผัวว่าเราก็ได้ทรัพย์สมบัติเท่าคนอื่นแต่ทําไมเราต้องมารับภาระมากกว่าคนอื่นสุดท้ายผัวก็ไปบอกแม่นะแม่ก็เลยต้องไปอยู่กับลูกคนที่สาม แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะจกนกระทั่งไปหยวกลูกคนที่สิบแล้วก็เจอเหตุการณ์เดียวกันสุดท้ายเนี่ยแม่ก็สุดน้อยเนื้อต่ําใจนะก็เลย อ, ออกมาจากบ้านของลูกเลยแล้วก็รู้ว่าลูกเนี่ยพึ่งพาไม่ได้ก็เสียใจนะเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่ลูกได้ไปเนี่ยก็เป็นของแม่ทั้งนั้นแหละตอนที่ให้ไปเนี่ยก็คิดว่าลูกจะเลี้ยงดูแม่นะ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับคนสมัยนี้เหมือนกันนะมีพ่อแม่หลายคนที่พอแก่ตัวแล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกจนหมดเลยเหลือให้กับตัวเองใช้นิดเดียวเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาคือว่าลูกๆ ก, ก็อิดออด น, นะไม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่รู้สึกจะเล่าไปแล้วน้ำว่าเมื่อสักไม่ถึงสิบปีมาเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วพ่อนี่โกรธมากเลยนะอุตส่าห์ไว้ใจลูกลักลูกแบ่งสมบัติให้ลูกหมดรวมทั้งที่ดิน แล้วก็บ้านด้วยพอตัวเองป่วยลูกไม่สนใจจะของเงินลูกรักษาตัวลูกก็ไม่ให้พ่อโกรธมากสุดท้ายก็ยิงลูกตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายด้วยไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบกาณแล้วคราวนี้นางโสนา ท, ทำไงอ่ะไม่มีทรัพย์สินเหลือเลยบ้านก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยต้องไปบากหน้าไปที่ เชตวันนะแล้วก็คิดว่าบวชเป็นภิกษุณีดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินนะแล้วก็มีที่พักอาศัยเข้าใจว่าสมัยที่ตัวเองร่ํารวยก็คงจะเลี้ยงดูหรือบํารุงพระเถระพระเถรีอยู่บ้างนะคณะสงฆ์ก็เลยรับนางโสนามาเป็นภิกษุณีแต่ว่ารับมาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะเพราะว่าพระโสนาเนี่ย พันศาน้อยนะก็ถูกพระเทรีที่มีพันศามากกว่าเนี้นะใช้งานถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่านะแต่พันศามากกว่าก็ถือว่าเป็นพันเตก็ใช้งานนางาพระโสนาเรียกว่าทั้งวันเนี่ยมีแต่งานงานบางทีก็ต้องจับผิดนะหาทางตํำหนิอยู่เรื่อยแต่พระโสนานี่ก็เป็นคนที่เจมเนื้อเจมตัวนะ ก็ไม่รู้ว่าจะน้อยเนื้อต่ำใจหรือเปล่าว่าเคยร่ำรวยเคยสบายมาตั้งแต่เกิดนะชื่อมาพิพัน์ตอนแก่นะพิพันนี่ไม่ใช่พะใคายเลยเพาอลูกแต่ว่าก็ก้มหน้ารับนะสภาพที่เป็นอยู่พระเถรีให้ทำอะไรก็ทำส่วนตัวถ้ามีเวลา ว, ว, ว่างก็ปฏิบัติธรรมทำความเพียรก็เรียกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความวิริยะมากมีวันหนึ่ง พระเถรีทั้งหลายก็ใช้ให้พระสนานีไปไปต้มน้าร้อนต้มน้ำร้อนนะอากาศคงณจะหนาวเนี่ยพวกพันเตทั้งหลายก็หยได้น้ำร้อนไปะระหว่างที่รอ น, น้ำร้อนเดือดระหว่างที่รอ น, น้าเดือดเนี่ยพระสน า, นาก็ไม่ปล่อยเวลาให้ป่าประโยชน์ก็เดินจงกรมไปด้วยในครัวระหว่างที่เดินก็จเจริญกรรมฐานพนะิจารณากายและกายคตาสติบอกว่า ทำไปได้สักพักเนี่ยก็บรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่บรรลุธรรมขั้นต้นนะเป็นบรรลุธรรมขั้นสูงเลยเป็นพระอระหันต์อ่าเรื่องนี้ก็ชี้เห็นว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ท, ท, ทุกแห่งทุกแห่งนะแม้ก็ทั้งในครัวนี่ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ระหว่างที่ทํางานนะก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ว่าจะต้อง อ, อยู่ในกุฏินะอย่างเดียว แล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าน่าคิดก็คือว่าไอ้ความทุกข์หรือว่าเคราะกรรมที่เกิดกับนางเนี่ยก็คือการที่ถูกลูกทั้งชายและหญิงเนี่ยปฏิเสธผักสายไกลๆเนี่ยซึ่งสําหรับแม่เนี่ยมันเป็นคือมันคือเคราะห์มันคือความโชคร้ายที่ไม่ไจะเกิดขึ้นเลยแต่มองดีๆมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกผักสายเนี่ยนางก็คงจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะ ถ้าหาว่าลูกตอนรับนะก็จะยังคงเป็นอุบาสิกาธรรมดาแล้วก็อาจจะตายนะเหมือนคนทั่วไปชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่รอวันตายเพราะว่าแกชรามากแล้วแต่เพราะว่าโดนลูกผักใสนี่แหละนะมันกลายเป็นดีนะมันกลายเป็นทำให้ได้มีโอกาสเข้าวัดแล้วก็บรรลุธรรมสิ่งที่เรียกว่าคอกกรรมเนี่ยถ้าเราดูดีมมีประโยชน์นะ หลายคนมาที่นี่ก็เพราะว่าความทุกขนะ์ผลักให้มาถ้าสุขสบายนะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าไม่ตกงานไม่อกหักหรือว่าไม่เครียดจัดเนี่ยหลายคนก็คงจะไม่มาวัดครั้นมาวัดแล้วเนี่ยก็ทำให้ได้เจอสิ่งที่ประเสริฐอย่างที่ตัวเองนึงไม่ถึงอย่างท่านโกเอนกาเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้จักนะเป็นผู้ที่ มีชื่อมากเป็นคนที่ทําให้ฝรั่งรู้จักคำว่าวิปัสสนาสมัยก่อนเนี่ยสามสิบปีก่อนเนี่ยพูดคําเนี้ยฝรั่งไม่รู้จักนะวิปัสสนาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขารู้จักกันแพร่หลายเพราะว่าท่านไปตั้งสํานักวิปัสสนาขึ้นทั่วโลกนะสองร้อยกว่าสาขาได้มั้งหลายสิบประเทศอาจจะมากกว่าสองร้อยน่าสนใจเพราะว่าท่านเนี่ยพื้นเพล์เป็นคนฮินดูนะเป็นพม่า ก, ก็จริงแต่ว่าเชื้อแขคบ แล้วก็ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจอายุแค่ส0ต้นๆนี่ก็เป็นได้รับยกย่องได้รับเลือกตั้งให้เป็นคล้ายๆเป็นนา ย, ยกสภาหอการค้าเนี่ยประธานสภาหอการค้าของชาวอินเดียที่ไปทำธุรกิจในประเทศพมา่าเพราะเป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วก็ฉลาดกิจการก็ประสบความสำเร็จแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งนั่นคือว่าเป็นไมเกรน ไมเกรนนี่รักษ า, เ ท, าเท่าไหร่ก็ไม่หายเงินมีเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ไปรักษาถึงยุโรปนะก็ไม่เกิดผลถามแย่ซะอีกเพราะว่าเวลานั้นเขารักษาไมเกรนด้วยการให้ยายาเสพติดนะไม่รู้เป็นมอร์ฟีนหรือฟีนนอนอ่อนปวดทีนึ่งก็กินไปปวดทีก็กินกินไปจนกระทา่งติดติดสินนนะสุดท้ายก็ต้องถอนยาเสพติดนั้นถอนเสร็จก็เจอไมเกรนใหม่ ชีวิตเหมือนกับว่าหมดทางออกแล้วนะมีเงินแต่ว่าไม่มีความสุขจนถ้าวันนึงมีคนแนะนําว่าลองไปทําสมาธิสมีอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นคาราวานะชื่ออุบาคินเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะของพอมา่าแต่ว่าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการทํากรรมฐานมากเป็นลูกศิษย์ของมหาศีสยาดอนะซึ่งเป็นพระที่มีชื่อมากอท่านเวนกานี่เป็นแขกเป็นฮิ น, ฮนดูนะแต่ว่า ไม่มีทางไปแล้วนะก็เลยไปลองไปทำเข้าคอร์สนะเรียกสมัยรีย้เราเข้าคอร์สประมาณสิกวันบอกว่าเห็นผลนะเห็นความคืบหน้าว่ามันช่วยได้ก็เลยไปปฏิบัติธรามบ่อยๆตอนหลังเนี่ยก็เลยศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตอนหลังเนี่ยแม่ป่วยแม่อยู่ที่อินเดียป่วยต้องไปดูแลแม่ที่อินเดีย ่อไปแล้วก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานซะเลยแลวนั่นคือจุดเริ่มต้นนะของการที่ทำให้สํานักปฏิบัติของท่านโกยน ก, การนีแพร่หลายเริ่มที่อินเดียก่อนแล้วก็กระจายไปทางยุโรปอังกฤษอเมริกาอันนี้ก็เรียกว่าท่านเนี่ยได้เห็นทำก็เพราะว่าไอ้ไมเกรนนะถ้าไม่เจอไม่เป็นไมเกรนนี่ก็อาจจะเป็นเศรษฐีที่ร่ารวยแต่ว่า ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับศาสนาหรือว่าทําให้ตนเองได้เข้าถึงประโยชน์สุขแห่งความเป็นมนุษย์เท่าไหร่ในสิ่งที่มันเป็นเหตุร้ายเนี่ยที่จริงก็มีประโยชน์นะมันอยู่ที่เราจะมองอย่างไรมันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าของมันหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่ร้ายประโยชน์เสียทั้งหมดนะแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่แย่ๆนะความเจ็บป่วยความพัดพลาด ก, การถูกผลักใส่ถูกปฏิเสธจากลูกหรือจาก คนใกล้ชิดหรือแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีประโยชน์ในตัวมันเองนะเพราะว่าความทุกข์สําหรับบางคนมันก็ผลักให้ไปหาเล่าไปหายาเสพติดไม่ใช่ว่าทุกแล้วเนี่ยมันจะดีเสมอไปมันอยู่ที่ว่าเมื่อเจอทุกแล้วเนี่ยเราจะเราจะตัดสินใจหรือรับมือกับมันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองด้วยนะเราสามารถจะใช้ อ, อ, อาศัยทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งผลักดันให้ทําความดีมีประโยชน์ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะความทุกข์มันก็อาจจะผลักเราไปอีกทางนึงก็ได้พาไปสู่นรกไปสู่อบายในการที่เราจะรับมือกับความทุกข์ให้ได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองนะต้องมองให้เป็นบางทีไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นนันนะแต่เมื่อรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็สามารถตั้งหลักแล้วก็มองว่าเออมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างในสาวุตการก็เหมือนกันนะมีภาพรูปนึ่งนะชื่อภาพกุลนะนะ ท่านเป็นคนเมืองสุนาปันต์นะเป็นพ่อค้าพอท่านได้มาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกา็ได้เกิดศรัทธาในในพระธรรมแล้วก็เมื่อปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าสักพักก็คิดว่าจะกลับไปเมืองสุนาปันตะพุทธเจ้าก็เลยเมื่อมาลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าคนสุนาปันต์เนี่ยใจคอดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะเห็นอย่างไรท่านจะคิดอย่างไร พระพุทธตอบว่าถ้าเขาด่าว่านะก็ยังดีที่เขานะไม่ทุกตีแล้วถ้าเขาทุกตีท่านล่ะท่านจะคิดอย่างไรนะผู้เจ้าถามเขาทุกตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วท่านจะคิดอย่างไรเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรเขาไม่มาฟาดก็ดีกว่าก็ดีที่เขาไม่นะเอาของแหลมมาแทง แล้วถ้าเขาของแลมาแทงแล้วท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาคตตอบว่าเข้าของแลมาแทงก็ดีที่เขาไม่อไม่ฆ่าให้ตายทีย น, นี้ผู้เจ้าก็เลยถามกันถามสุดท้ายแล้วท้าค่าฆ่าท่านล่ะท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาคตตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหาหมีดมาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธองค์ว่าก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อยนะคือท่านมอง ท่านมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านก็รวนแล้ว แ, ลแต่ดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านีาน้นะถ้าเรามองแบบนี้บ้างนี่มันก็ทําให้ให้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปการมองแบบนี้สมัยนี้เขาเรียกมองแง่บวกนะแต่ว่าในทางธรรมะเขาเรียกว่ามองแบบโ ย, โยนิโสมนิสิกการโยนิโสนิสนิกการก็คือการมองการฉลาดในการมองซึ่งทําได้หลายแบบนะเช่นมองว่า มองแบบพับคุณหน้าก็ได้ว่าอ๋ออะไรเกิดขึ้นเราก็ดีทั้งนั้นนเป็นเบาหวานก็ยังดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งสมองก็ยังดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกนะอันนี้มีคนมีคนเขาเคยมองแบบนี้นะแล้วเขาก็อยู่ได้มองอะไรก็ดีทั้งนั้นรวมทั้งมองเห็นธรรมะจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีความพัดพรากเกิดขึ้นก็แทนที่จะร้องไห้ฟูมฟาย ก, ก็ก็สามารถจะมองเห็นเป็นธรรมะได้ เห็นเห็นว่าของหายก็เห็นว่าเออเขาสอนเรานะว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเจ็บป่วยนี่ก็มองเห็นเป็นธรรมะว่าเออเขามาสอนเรานะว่าสังขารไม่เที่ยงอย่างที่ท่านอาจารพูทาธบดอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมาสอนให้เราฉลาดสอนให้ฉลาดเรื่องสังขารให้เห็นว่าสังขารมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์วยวายตีโพยตีพายไปก็ไม่มีประโยชน์มีผู้ชายคนนึงนะเป็นช่างไฟฟ้านะ วันดีคืนดีก็ไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าแรงสูงด้วยช็อตที่ขาจะต้องตัดขาทั้งสองข้างกลายเป็นพิการตลอดชีวิตก็ช่วยตัวเองก็ลำบากนะเท่า น, นั้นยังไม่พอนะเหมือนเคราะซ้ำกรำรมซัดนะวันหนึ่งภรรยาก็ทิ้งเขาไปแทนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันก็ไปว่าทิ้งให้เขานะต้องมาช่วยตัวเองก็มีคนถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะที่ภรรยาทิ้งคุณไป แกก็ตอบอย่างนี้ว่าเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูสิแม้กระทั่งขาของผมได้แท้ๆเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แกไม่ทุกข์เพราะเมียทิ้งเนี่ยเพราะได้เห็นนะเห็นทำมาจากการที่ขาเนี่ยถูกตัดให้เห็นว่าขาเนี่ยที่เราเคยดเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเลยถ้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับเราเนี่ยแต่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเมื่อขาเนี่ยมันยังไม่อยู่กับเราเลยจะไปคาดหวัง ให้คนอื่นเนี่ยเาอยู่กับเราได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะนะจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นถ้าเราฉลาดนะเราก็จะสามารถจะเห็นนะธรรมะหรือเห็นสิ่งดีๆจากเหตุร้ายนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาจะให้ประสบพวกเราคงจะไม่อยากให้มันประสบนะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะฟูมไฟนะมันก็ต้องหาประโยชน์หรือว่า เห็นประโยชน์ของมันให้ได้น ะ, ะต้องเรียกว่าฉวยโอกาสเหมือนกันนะ น, นักปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อเอาาเขียนท่านสอนว่าต้องจับเป็นนักฉวยโอกาสฉวยโอกาสนี่ความหมายเนี่ยคือว่าไม่ว่าเวลาใดโอกาสใดสถานที่ไหนก็ต้องใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมรถติดแทนที่จะจิตตกก็ฉวยโอกาสตามลมหายใจหรือว่าเจริญสติไปนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักฉวยโอกาสนะรถติดก็ปล่อยให้ใจมัน กลุ้มออกกลุ้มใจหงุดหงิดนะอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดคนฉลาดนี่แม้ลดติดสามนาทีหรือหนักกว่านั้นสิบนาทีก็เอาฉวยโอกาสซะเลยนะมาเจริญสติมาทําจะให้สงบเกิดเหตุร้ายนะอ้าวก็ฉวยโอกาสหาประโยชน์จากมันซะเลยอันนี้เรียกว่าเป็นคนรู้จักมองนะการมองแบบ น, นี้เนี่ยนะมันก็เป็นการมองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะแต่ว่า ควบคู่กันไปเนี่ยนอกจากการมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉลาดแล้วเนี่ยการมองกลับมาที่ตัวเองก็สําคัญเหมือนกันนะนอกจากการรู้จักมองสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าสิ่งที่แวดล้อมเรานะมองให้เป็นคุณมองให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในทางธรรมแล้วเนี่ยควบคู่กันคือการมองกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่ใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมองสิ่งนอกตัวอย่างฉลาด แบบมีโยนิโสมนสิการได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราหันกลับมาดูใจเราก่อนนะถ้าเราไม่กลับมาดูใจของเราเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าใจมันกําลังโกรธกำลังโมโหเช่นพอเจอรถติดเจอไฟแดงเนี่ยมันหงุดหงิดนะไม่รู้นะพออย่างนี้แล้วไม่รู้ตัวหงุดหงิดนะมันไม่มีทางที่จะเห็นประโยชน์นะว่าไฟแดงเนี่ยหรือรถติดไหมมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วคนที่เอาแต่กุ้มอกกุ้มใจนะเพราะว่าอ่า ที่การถูกตัดขาเนี่ยนะตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงาำนนะไม่มีทางที่จะเห็นธรรมมาจากการที่สูญขาไปทั้งสองข้างได้มันต้องมีสตินะเป็นเบื้องต้นก่อนถ้ามีสติเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะก็จะทําทให้เราเนี่ยวางไอ้ความทุกข์ความกลุ้ม อ, อกกุ้มใจเมื่อรู้ว่ามันมีใจข้างในใจน ม, นมีความเครียดมีความวิตกมีความเศร้ามีความเสียใจเนี่ยวางมันลง อันนี้สำคัญมากนะกลับมาดูใจเราให้ได้เราถึงจะมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างแยกคายหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยท่านไปอยู่ที่จังหวัดอุบล น, นะหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสารวัลนะวัดป่าสารวัลโคลราชแต่ว่าตอนหนุ่มที่ท่านไปอยู่ที่อุบลวันหนึ่งเนี่ยท่านบินทบาตตอนเช้า ก็เห็นยมผู้หญิงคนหนึ่งกาลังยืนรอใส่บาทกับลูกชายอายุประมาณห้าขวบทัางก็เดินไปไปหาอหญิงคนนี้เกือบจะถึงแล้วลูกชายนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงบอกแม่นพัดดอกมึงบอกแม่นพัดดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระท่านได้ยินท่านไม่พอใจนะเพราะไม่เคยมีใครพูดกับท่านแบบนี้มันเลยแต่ว่าท่านก็มีสติรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยว่าใจไม่ใจขุ่นมัวใจขุ่นเครืองเนี่ยความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่า อ, อจริงของมันเรอไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธไนะอ้ความคิดแบบนี้ทําให้ท่านเนี่ยนะทากลับมาเป็นปกติแล้วก็เดินไปรับบาปจากผู้หญิงคนนั้นตอนหลังเนี่ยเวลาท่านพูดถึงเหตุการณ์นี้ท่านก็จะบอกว่าเด็กคนนั้นอ่ะเป็นอาจารย์ของท่านนะเด็กห้าขวบเนี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนให้ท่านได้ได้เห็นนะเรื่องโลกธรรม ได้เห็นใจตัวเองด้วยนะว่าใจตัวเองนี่มันก็เพื่อมอย่างไรเวลามีคําพูดแบบนี้กระทบหูแล้วก็ได้ฝึกให้ได้ไดไดรู้จักปล่อยรู้จักวางนะการที่ท่านบอกว่าเนี่ยเออจริงของมันเราไม่ใช่พระอนะ่เพราะถ้าเป็นพระต้องไม่โกรธเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการมอมอันนี้เป็นการคิดแบบโยนิสโสมนสิกานนะถ้ามองไม่เป็นก็จะโกรธนะว่าพูดอย่างเนี้ ก, กูได้ไงกูเป็นพระนะนะ อันนี้เรียกว่าอโยนิสมนัสิาสการคือคิดแล้วเนี่ยมองแล้วเนี่ยมันไม่ฉลาดเพราะทาให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความโกรธแต่ท่านมองอีกแบบนึงเออถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธสิการที่จะคิดแบบนี้ได้หรือว่าจะจะมองแบบนี้ได้เนี่ยนะก็เพราะท่านเนี่ยมีสติรู้ทันในความโกรธความขุนโมที่เกิดขึน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการกลับมาดูใจเราเนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะกลับมาดูใจรู้ทันความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นการที่เรากลับมาดูใจครูบาอาจารย์สอน และพูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไปรับรู้สิ่งภายนอกนะไม่มีคําพูดนึ่งบอกว่านี่ยอย่าสง่งจิตออกนอกก็อย่าสง่งเจริญนอกเ น, น, นี่ยหมายว่าอย่าปล่อยใจมันลอยล่องลอยหรือไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวโดวยที่ไม่ไปรับรู้ความคิดอารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นหรือที่มันเล่นงานใจเราบอกไว้แล้วว่าเนี่ยอันตรายมี2แบบนะอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผย เ, เ, เนี่ยมันอยู่นอกตัวเรา นะสัตว์ร้ายอาหารเป็นพิษภัยธรรมชาติสมัยนี้ก็ต้องรวมรถยนต์ที่กําลังแล่นเร็วด้วยนะนี่ก็เป็นอันตรายที่เปิดเผยเราต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นนะเป็นเครื่องป้องกันนะเราใช้ลิ้นเพื่อรับรู้อาหารขมไหมผ้าขมในแสง ม, มันมีพิษนะเราก็ไม่กินเราใช้หูฟังดูว่าเมียนตรายอยู่ข้างๆใกล้ๆหรือเปล่าเสียงลมเสียงน้ําป่าเสียงสัตว์ร้ายเนี่ยเรารู้ได้จากหูหรือจากตาของเรา เนี่ตาหูจมูกลิ่งกายเนี่ยนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยรู้ทันอันตรายที่เปิดเผยแล้วก็พยายามหลบพยายามหลีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอันตรายที่ปกปิดที่มันจู่โจมครอบงาจิตใจแล้วก็เล่นงานจิตใจเราและเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากนะโดยเพราะความเครียดความเศร้าเศร้าจนซึมเศร้าไปเลยโรคซึมเศร้าก็ดีโรคเครียดก็ดีนี่ตอนนี้มันเป็นปัญหาคนสมัยนี้มากเป็นสาเหตุของของการตาย อที่สูงมากนะเขาบอกว่าในคนที่ตายเพราะความเครียดเนี่ยมากกว่าคนที่ตายเพราะเหล้าหรือบุหรี่ซะอีก เ, เพราะว่าอันนี้มันรวมถึงว่าความเครียดที่นาไปสู่การเป็นโรคหวัวใจทําให้เซลล์ในสมองแตกหรือว่าทําให้อหวัวใจวายเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่งองจากความเครียดได้ทั้งนั้นความเครียดนี่เป็นอันตรายที่ปกปิดที่มันคล่อบําใจเพราะเราไม่รู้ทันเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่กลับมาดูใจ แต่ถ้าเราดูใจแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้แปลว่าไอ้เรื่องภายนอกเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องมองเราก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดูรับรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกอันตรายต่างๆเข้ามาเล่นงานแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะเราก็สามารถจะมองให้เกิดประโยชน์นการมองภายนอกเนี่ยอย่าไปมองเพียงแค่ ว, ว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าไหม เราใช้มองเพื่อที่เข้าหาไอ้สิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตจิตใจเช่นใช้ตาสอดสายหาสิ่งที่มันเป็นอบายมุกหรือว่าใช้ลิ้นเพื่ อ, อเสพสิ่งที่มันกระตุ้นกิเลสอย่างเดียวเราควรมองหรือจักอมองฉลาดในการมองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมองให้เห็นให้เห็นประโยชน์นะแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะก่อความทุกข์ให้กับเราเป็นสิ่งที่ไม่ประสงค์นะ ความเจ็บป่วยความพัดพรค่คำต่อว่าดาทอรนวะมทั้งมองให้เห็นธรรมจากสิ่งเหล่านั้นด้วยผู้ง่ายคือว่ามองทั้งนอกมองทั้งในนะมองในก็เห็นใจของตัวเองมองนอกก็เห็นธรรมนะแล้วก็เห็นประโยชน์ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามเอาคำนี้็าพูดกท่านี้นะกราบพระ